พุทธาพิทุติอันธรมายางพุทธาพิทุททติงกรโรมะเซยอนโสตทาคตุณพระตถาคตเจ้านานพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุโทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องคเองวิชชาจารณสัมปะโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารนสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทุ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 พุโทโธเป็นผู้รู้ ผ, ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวะกังสัมมาระกังสพรมมะกัง ส, สัสนะพรหมณิงประชังสัตเทวมนุรสร้างสยังอภินยาสัจจิกตวาปเวเทศิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามาร พร้อมและหมูสัตว์พร้อมทังสมณพรามพร้อมทังเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมงเทเสศิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกลยานังภายรอในเบื้องต้น มาเชกลายานังภายเรอดในถ้ำกลางปริโยสากนกลยานังภายเรอดในที่สุดสัตว์ทางสัพพยัญชนะงเกวละปริปุณันนงปริสุตังพระมจริยังประกาเศเสสส่งประกาศพรหมจารย์ คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมท้งอัตถ า, าพร้อมท้งพยัญชนะตามหังพักวันตังอภิปูชยามีข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิง่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ตาหังพระวันตาศิรษะนมามิ้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงก้าว